พระเจริญพรยโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาเชื่อพวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยโดยแล้วปรารถนาความสุขอยากให้ชีวิตเนี่ยปราศจากทุกข์หรือยอย่าง น, น้อยๆน้อ ย, ยก็ไกลาจากความทุกข์จะความสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนปรารถนาให้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรารับรื่นไร้อุปสรรคไม่มีสิ่งใดที่จะมากระทบตัวเราให้เกิดความทุกข์ความเจ็บปวดแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่ารอบตัวเราเนี่ยแล้วก็ตลอดชีวิตของเราเป็นไปไม่ได้เลยนะ ที่จะมีแต่สิ่งที่ราบรื่นถูก อ, อกถูกใจหรือว่าก่อให้เกิดความสุขสบายมันก็เหมือนกับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่การที่ควเราจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่า โรครอบตัวเราเหมือนมีเชื้อโรคไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเชื้อโรค ก, ก็แพร่กระจายหรือซึมไปทนที่อาจจะมีบางแห่งนะที่เชื้อโรคอาจจะน้อยนะเช่นที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกในหลายสถานที่เนี่ย เชื้อโรคนี่ก็เต็มไปหมดเลยมีที่ไหนบ้างหรือเปล่านะที่จะไม่มีเชื้อโรคเลยเรียกว่าแทาจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ทาไมทางท้นที่รอบตัวเราเนี่ยมีเชื้อโรคฟุ้งกระจายเต็มไปหมดแต่เราไม่เจ็บไม่ป่วยที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใช่เพราะไม่มีเชื้อโรคอยู่รอบตัวนะหรือว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในตัวเรา แต่เป็นเพราะว่าเชื้อโรคมันทำอะไรร่างกายเราไม่ได้เพราะอะไรนะ่ะเพราะร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่จริงระบบป้องกันโรภคภัยแค่เจ็บในตัวเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ผิวหนังน่ละผิวหนังเนี่ยคอยสกัดกั้นไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายอาจจะมีขนจมูกนะที่คอยสกัดกั้นเชื้อโรค ฝุ่นผงฝุ่นละอองอีกจะก็ไม่เคยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะมีเชื้อโรคเนี่ยเข้ามาในร่างกายบางทีก็ามากับอาหารบางทีก็ามากับอาการบางทีก็าอาจจะผ่านเข้ามาทางอื่นในร่างกายเรานี้เนี่ยมีเชื้อโรคอยู่ไม่น้อยเลยประมาณว่าหนึ่งในสาม ของประชากรโลกนะ2พันล้านคนในร่างกายเนี่ยมีวัณโรคอยู่ในที่นี้พวกเราทุกคนเนี่ยธรรมาเชื่อว่าคงมีเชื้อวัณโรคอยู่ข้างในแต่ทํำไมเราไม่ป่วยเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันข้างในสมัยหนึ่งเนี่ยเราเคยเชื่อว่าหรือเคยหวังกันว่าจะสามารถที่จะปราบโรคภยัยไข้สามารถปราบเชื้อโรคให้หมดไปจับโรคได้ ก็มีการผลิตยาฆ่าเชื้อพ่นตามที่ต่างๆแล้วแม้กระทั่งถูตัวทาผิวยาฆ่าเชื้อที่เช็ดกำจัดเชื้อโรคบนโต๊ะเก้าอี้ภาชนะสมัยหนึ่งสมัยที่ตมาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมีครูท่านหนึ่งเนี่ยทุกเช้าท่านก็จะเอาเต็นต่อเนี่ยมาขัดถู โตแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆคือท่านอนามัยมากเลยแต่ไม่ว่าท่านจะทําอย่างไรเห็นนะไม่เคยกําจัดเชื้อโรคได้หมดยังไงเชื้อโรคก็มาเกาะอยู่ตามตามโต๊ะเก้าอี้แต่ถึงแม้มันจะเกาะบ้างไม้เพียงใดคนในห้องก็ไม่เคยเจ็บป่วยนะไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนไม่ใช่เพราะไม่มีเชื้อโรคครับมีแต่มันทำอะไร ร่างกายไม่ได้เพราะร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันสําคัญมากเลยนะฮะโรคที่ไร้เชื้อโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่มีจริงแต่ว่าการที่คนเราเนี่ยสามารถจะอยู่ได้โดยไม่เจ็บป่วยอย่างน้อยก็เป็นช่วงช่วงยาของชีวิตเนี่ยนะเป็นไปได้เพราะเรามีภูมิคุ้มกันในร่างกาย ถ้าไม่มีคคุมกันในร่างกายเราคงจะป่วยด้วยโรคต่างๆมากมายอาคิวาวันโโรคแล้วก็โรคไข้รักษาซึ่งายบางโรคเนี้ยมันก็สูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่บางโรค ก, ก็ยังมีอยู่ในตัวเราแล้วก็รอบตัวเราเราเป็นนีบุญคุณผูคุ้งกัน ร, ร่างกาย แด้จะเป็นอย่างที่เราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนี้ขึ้นมาโดยการฉีดวัคซีนด้วยการกินอาหารที่มีที่ถูกสุขลักษณะแต่แล้วก็ตามเาท่านี้ย่อมไม่เพียงพอนอกจากภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันจิตใจเราจึงจะมีความสุข หรือว่าห่างไกลาจากความทุกข์อย่างแท้จริงอย่างที่ธรรมาได้บอกไว้แล้วว่าการที่จิตใจเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราคาดหวังว่าโลกรอบตัวเรามันจะราบรื่นเลิศเลอเพอร์เฟกหรือว่าโอเคทุกคนต้องทำดีกับเราทํางนานต้องไม่มีอุปสรรค เดินทางไปไหนรถไม่ติดนะทุกคนรู้ใจเราหมดมีแต่คนชมไม่มีคนตำหนิไม่มีคนวิเคราะห์วิจารณ์ไม่มีคำว่าขาดไม่เจอคำว่าไม่มีบังเดืนี่เรามนีการทิฐานะขอให้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีไม่พร่องไม่ขาด แต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้หรือเปล่าไอ้คาว่าไม่มีก็ต้องเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับที่เราต้องเจอรถติดเป็นประจำถ้าน้องที่เราอยากจะให้รถมันโล่งถนนมันว่างเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกนี้จะจะปราศจากซึ่งสิ่งที่กระทบจิตกระทบใจไม่ว่าด้วยคําพูดด้วยการกระทำของคน หรือจากข้อมูลข่าวสารแต่แม้โรครอบตัวเรานะมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่สามารถจะเสียดแทงกระทบหรือว่ากระแทกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่เราก็ยังสามารถจะมีความสุขได้หากว่าเรามีภูมิคุ้มใจ หรือว่ามีภูมิคุ้มกันความทุกข์ในจิตใจภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายสาคัญอย่างไรนะภูมิคุ้มกันจิตใจยิ่งสำคัญกว่าเสียอีกเพราะว่าถ้าขาดภูมิคุ้มกันในจิตใจแล้วแม้ร่างกายไม่จะไม่ป่วยก็ยังทุกข์นะคนทุกข์ทุกวันนี้จำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาร่างกายเขาปกติดีเี่งแต่ว่า ก็อาจจะมีสิวผิวแห้งผมแตกปลายเขาก็ทุกข์ละใช่ไหมหรือว่าไม่สวยเหมือนเพื่อนๆหรือเหมือนคนอื่น <c oughs> โหลดภาพเซลฟี่ขึ้นไปบน Facebook ก็รู้สึกไม่สวยนะหรือบางทีโหลดภาพที่เราคิดว่าสวยที่สุดแต่เพื่อนดันไม่กดไลคนะ์ก็ทุกข์ใช่ไหมสุขภาพดีแต่ทำไมทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับ ไ่ไม่ต้องพูดถึงว่าคอมเมนต์นะในทางลบสุขภาพดีป้มกันในร่างกายดีแต่ว่าไม่มีภูมิคุ้มกันในใจิตใจก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับโดยเรื่องเล็กๆน้อยๆเจอรถติดก็ขุ่นมัวเครียดนะเจอรถปัดหน้าก็ดา่านะทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ทั้งทั้งที่ร่างกายสุขภาพดีและทั้งที่มีเงินมีทองมากมายอยู่ในรถติดแอได้ซ้า เพราะอะไรคะพ่อไม่มีภูมิพุ่มกันจิตใจแต่ทางตรงข่าแม้เมื่อมีภพุงกันจิตใจแม้เจ็บแม้ป่วยจิตใจก็ยังเป็นปกติได้ก็ยังยิ้มได้มีความสุขได้ซ้ำเนะมื่อเมื่อสักครู่ก่อนที่เราก่อนที่จะเริ่มรายการนะหลายท่านก็คงได้อ่านได้ดูบทสัมภาษณ์ได้ดูสารคดีนะของหลวงพ่อก็มีท่านหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์คืออาจารย์กําพลทองบนนุ่ม ท่านพิการฮะตั้งแต่คอลงมามือเนี่ยขยับได้บ้างแต่เห็นสีหน้าของท่านแหท่านยิ้แยันแจ่มใสมีความสุขกว่าคนที่สุขภาพดีอาการสายสองครบด้วยซ้ำเพราะอะระเพราะว่าท่านมีภูมิกันในจิตใจซึ่งสามารถจะช่วยให้จิตใจท่านเนี่ยไกลาจากความทุกข์ แม้กายพิการนะแต่ว่าใจเบิกบานจอกระทั่งคนหลายคนที่สุขภาพดีร่างกายปกติก็ยังอิจฉาท่านเลยว่าอยากจะมีความสุขอย่างท่านอย่างอาจารย์กำพลแม้จะต้องแลกด้วยการเป็นคนพิการเขาก็ยอมมีคนพูดแบบนี้เลยนะฮะแล้วคงจะไม่ใช่มีแค่คนเดียว ถ้าพิการอย่างอาจจ้างกำพผลก็ยอมยอมแลกภพกัพ ก, กันในจิตใจสำคัญแต่ว่าเรามักจะมองข้ามหลายคนเนี่ยปรารถนาความสุขในจิตใจแต่สิ่งที่เขาคิดก็คือพยายามที่จะเรียกร้องคาดหวังและควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่จะเป็นผู้คนไม่จะเป็นอากาศ หรือว่าที่ทำงานควบคุมเรียกร้องเพื่อให้ถูกใจตนชมได้แต่ห้ามด่านนะหรือว่าทำงานต้องกดสนแต่ความสำเร็จนะไม่ล้มเหลวนะเดินทางไปไหนรถจะติดนะถ้าติดแล้วมีโกโรธ น, นะเนี่ยอันนี้เพราะว่า ไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจไปคิดแต่ควบคุมสิ่งกวล้อมภายนอกให้เป็นไปตามใจเราให้เป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งเป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่เราจะเรียกร้องคาดหวังให้โลกรอบตัวเราไม่มีเชื้อโรคเพื่อที่เราจะมีสุขภาพดีไม่จะไม่ป่วยนั่นไม่ใช่วิธีของ ผู้มีปัญญาเราต้องอยอมรับความจริงว่าโรคระบาดตัวเรามันจะไม่ได้ช่วยโรคสิ่งแต่สิ่งหนึ่งแต่สิ่งเดียวสิ่งที่เราจะทําได้คือเราสร้างภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายให้ดีก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยในตองเดทนทำอะไรกันเราจะเรียกร้องให้โรคระาดตัวเราเนี่ยรับรื่นเลิศเลอเฟอร์เฟกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถจะมีความสุขได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันในจิตใจพระเจ้าตรัสว่า มือที่ไม่มีแผลเมื่อถูกต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อได้ก็ะตามที่มือมีแผลจับต้องยาพิษเมื่อนั้นแหละนะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกวันนี้เนี่ยบ่อยครั้งนะเราต้องไปเจอต้องไปสัมผัสกับสิ่งที่เปรียบเส ม, มือนยาพิษแต่ถ้าใจเราเนี่ย เป็นใจที่ปกติไม่มีแผลไม่พร่อมนะอะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้เหมือนกับยาพิษที่ทำไรร่างกายเราไม่ได้ถ้าตัวเรามือเราไม่มีแผลแต่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจจิตใจของตัวเอง <c oughs> ก็ปล่อยให้ใจที่มีแผลเพราะฉะนั้นพออะไรมากระทบ ก็เป็นทุกข์ได้ง่ายเหมือนกับว่าโดนยาพิษเนี่ยซึมเข้าไปในร่างกายเต็มๆความทุกข์เนี่ยมันสามารถจะเข้ามากระทบกระแทกจิตใจเราผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจด้วยไม่ว่าเราจะปิดตาอย่างไรนะ เราก็ต้องเจอภาพที่ไม่น่าพอใจถึงเราจะปิดหูบ่อยครั้งเพงแต่ก็ต้องเจอคำที่ไม่ถูกใจเราเหมือนกับทีมือเราร่างกายเราเนี่ยไม่ว่ามันจะมีผิวหนังที่ดีเพียงใดมันก็ไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ร้เปอร์เ็ยังไงมันก็ต้องซึมเข้ามาผ่านเข้ามา แต่ว่าเราไม่จะไม่ป่วยเพราะเรามีปุ่กันที่ดีฉันได้ก็ฉันนั้นนะไม่ว่าสิ่งที่จะกระทบกระแทหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจผ่านเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราก็ไม่จะเป็นว่าอะไรต้องทุกข์แม้จะได้ยินสิ่งดา่าแม้ร่างกายจะสัมผัสกับความร้อนหรือว่าน้าแหลม หรือว่าแม้ตาจะเห็นภาพที่ไม่งดงามหรือน่าเกลียดหรือชวนสยดสยองใจใจไม่ทุกข์ทาได้เพราะมีภูมิคุ้มใจขณะที่ภูมิคุ้มใจนียสร้างอย่างไรไม่ย้อนกลับไปที่ภูมิคุ้มกันร่างกายทำไมเราไมมีภูมิคุ้มกัน อหิวาทำไมเรามีภูมิคุ้มกันไทฟ อ, อยทําไมเรามีภูมิคุ้มกันโรคหลายชนิดเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเรามีการฉีดวัคซีนวัคซีนเนี่ยคืออะไรวัคซีนก็คือเชื้อโรคอ่อนๆนะเรามีภูมิุมกันภูมิคุ้มกันต่ออหิวาตกโรเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับเชื้ออหิวาตกระโรนะร่างกายเราได้รับเชื้อไทฟ อ, อยตอนที่มีการฉีดวัคซีน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้มีความคุ้นเคยมีความรู้จักกับโรคเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อโรคเหล่านี้มันเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจสู่ร่างกายของเราภูมิคุ้มกันก็ทำงานทันทีเข้าไปจัดการภูมิคุ้มกันร่างกายเกิดขึ้นได้เพราะเราได้เจอเชื้อโรคเด็กที่ไม่เจอเชื้อโรคเลยเนี่ยพ่อพ่อแม่อนามายจัดเนี่ย ถือว่าเขาเสี่ยงนะฮะเขาเสี่ยงเพราะว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันน้อยมากเด็กที่เล่นกับดินกับทรายเด็กที่เคยสำลักน้ำคลองตอนตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเด็กเหล่านี้จะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่แข็งแรงมากังั้นเด็กเหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยจะไม่ค่อยแพ้โน่แพ้นี่แต่เด็กสมัยใหม่เนี่ย แพ้อะไรต่ออะไรง่ายเหลือเกินรวมทั้งมีโรคบางทีเจอโรคมือปากเท้าเด็กนี้เด็กเนี่ยสมัยใหม่นี่มีโรคแพ้เยอะมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวล้อมที่ไกลาจากเชื้อโรคสัมผัยกับเชื้อโรคน้อยมากผมกับนในร่างกายก็เลยไม่เข้มแข็งเพ่อแม่เนี่ยทําด้วยความรักเด็กแต่หารู้ไม่ว่า กำลังทำให้ลูกเนี่ยขาดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในร่างกายเดี๋ยวนี้ฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มรนรงนะฮะให้เด็กเนี่ยมันเล่นกับดินกับทรายให้เด็กเนี่ยถ้าเด็กเนื้อตัวมอมแมนี่ถือว่าดีนะถึงกับมีการลนลงนะว่ามีมีผงมีผงซับฟองริษับิผงซัฟองนี่เข้ารนาลงว่าฝุ่นผงนั้นดีด i r t y g o o t h t is good The ก็คือฝุ่นหรือว่าความสกปกความมลแมนเราชวนให้ลงไปนะไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะทำให้เด็กเนี่ยได้รับได้สัมผัสกับเชื้อโรคในธรรมชาติที่อ่อนๆตั้งแต่เล็กแล้วเด็กเลานั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้จะไม่ป่วยโนู่นป่วยนี่เหมือนกับเด็กสมัยใหม่ที่อนามัยจัดเะการสัมผัสกับเชโรคเนี่ยมันทาให้เกิดภูมิคุ้มกัน ในร่างกายในทางเดียวกันการที่เราเนี่ยได้สัมผัสกับความยากลำบากนะเราก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในจิตใจที่อัตมาเรียกเป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์คนเราจะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ได้จะต้องเจอความทุกข์บ่อยๆคนเราจะมีภูมิคุ้มกันความยากลาบากก็ต้องเจอความยากลาบากบา่อยๆ <c oughs> เมื่อเจอพวายากลำบาบ่อยๆเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยนะพอเจอใน พอเจอตอนโตขึ้นเราก็จะรู้สึกเฉยเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเคยเจอมาแล้วนะการสัมผัสเชื่อโรคทาให้มีภูมิกันเชื้อโรคันใดการสัมผัสความทุกข์ก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันความทุกข์ชันนั้นดงันะ้นถ้าเราอยากจะให้เราลูกเราเนี่ยนะเป็นคนเข้มแข็งในจิตใจนะต้องชวนให้เขาได้ไปเจอความทุกข์ยากความลาบาก อย่าสบายเกินไปเพราะถ้าเขาสบายเกินไปเขาจะอ่อนแออ่อนแอทั้งร่างกายไม่พออ่อนแอจิตใจด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากและเท่ากับและพ่อแม่ที่ไม่ตระหนักตรงนี้ ก, ก็ก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกาลังพาลูกเขาไปสู่ความชีวิตที่เสี่ยงคือชีวิตที่ถ้าอนามาัยจัด ก, ก็เป็นชีวิตที่อ่อนแอต่อโรคภัยไข้เจ็บถ้าสุสบายมากเกินไปก็อ่ อ, อนแอกระทบถูกกระทบง่าย เพาะความยากลําลบากเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกข์ก็ไม่ไหวนะดีนี้แค่จะให้เก็บที่นอนเองล้างถ้วยล้างชามเองทําความสะอาดบ้างเองก็ไม่เอาแล้วเพราะสูว่ามันลําบากไม่ต้องพูดถึงการทํากันบ้านนะการที่สัมผัสกับความยากลําลบากบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจจิตใจมีภูมิคุ้มกันความยากลาบาก เพราะมันเคยเมื่อสักสี่ห้ปีก่อนเนี่ยมันมีสารคดีคนคนคนนะคนไปเข้าไปทำรายการสัมภาษณ์คุณยายคนหนึ่งชื่อญา ย, ยิมยา ย, ยิมนี่อยู่พิษณุโลกนะญา ย, ยิมนี่เป็นคนที่รักสันโดษมากนะแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่ลูกครอบครัวเนี่ยขึ้นไปทำไร่บนบนเขาตอนหลังเนี่ย คนอื่น ก, ก็กลับเข้าสู่เมืองหมดก็เลยแต่ญาิ้มเนี่ยอยู่บนเขาคนเดียวนะหมู่บ้านที่ใกลที่สุดเนี่ยแปดกิโลเมตรญาญีมอยู่บนเขาบางวันเนี่ยข้าวสามหมดลงมาไม่ได้ฝนตกหนักก็กินกินกลอยกินเผือนะกนกับมะพร้าวคั่วแทนข้าวสาม ทุกวันพระยาเยี่มต้องเดินลงมาจากเขานะมาวัดนะเดินก็ย่อมก็แย่งมาสิบกิโลแล้วก็พอถือศีลจบวันรุ่งขึ้นก็คนเข้าสารคนพลิกแห้งเดินขึ้นเขาก็มีคนถามยายิ้มว่าเดินไกลยอย่างนี้เนี่ยไหวหรอ ไม่ทุกข์เลอย่าก็อายุ83แล้วย่ายิงก็บอกว่าก็มันเคยแล้วหนาแล้วก็ถามว่าถ้าย่าเนี่ยอยู่บนเขาเนี่ยข้าวสารหมดนะต้องกินแต่เผือกกบกรอยเนี่ยมัหนหวเหรงย่าก็ยิง้มแล้วก็บอกว่าก็มันเคยแล้วหนาแล้วกเกิดอยู่ข้างบนเกิดเจ็บป่วยทํายังไงย่ายิ้มบอกอยู่ข้างบนไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วย แต่ถ้าเจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรเพราะเคยแล้วหนาคือถามอะไรย่านะย่าย่าแกบอกแกไม่แกไม่รู้สึกวันไหวหรือทุกเลยเพราะมันเคยแล้วไอ้ความเคยความคุ้นเนี่ยมันทำให้เธอให้ญ่าเนี่ยชินชินกับความทุกข์นอันนี้เห็นเลยนะว่าย่ายิ้มในแกมีภูมิคุ้งกันความทุกข์เนี่ยเต็มที่เลยไม่ว่าจะเจออะไรนะลำบากแค่ไหน ย่ายิ้มตลอดเวลาไม่รู้สึกทุกข์เลยเพราะว่ามันเคยแล้วหนานี่เป็นสำนวนของคนแก่นะเคยแล้วหนาถ้าผู้แบบพุทธศาสนาคือว่ายติยิ้มเนี่ยแกมีขันติสูงมากขันติคือความอดทนความอดทนหรือขันติเนี่ยเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนภูมิคุ้มใจที่สำคัญอันหนึ่งนะที่เราควรจะมี และคันติเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่สวดมนต์ภาวนาเอาแต่คันติเกิดจากการที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราเนี่ยได้ไปเจอกับความทุกข์ความยากเกิดเคอความลำบากก็ทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนคันติบางทีเนี่ยมันหมายถึงการอดทนกัดฟันสู้แต่ว่าถ้าคันติพัฒนาไปจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ต้องกัดฟันนะ มันการเป็สบายไปเลยเหมือนก็ที่ชาวนาชาวไร่เนี่ยเขาตากแต่เกี่ยวข้าวตากแดดปลูกข้าวเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันต้องกลับฟันอะไรนพอเขาชินกับมันซะแล้วขันติเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่เราเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นเบื้องต้นของการ ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจและคันเต๋เนี่ถ้ายิ่งสร้างตั้งแต่เล็กเมื่อไร่ตั้งแต่เด็กเมื่อไรเนี่ยมันก็จะง่ายเด็กก็จะอดทนเข้มแข็งแต่ถึงแม้ว่าตอนเด็กๆสบายโตขึ้นเห็นความสำคัญของการที่ฝึกให้คุ้นกับความยากลำบากก็ยิ่งดี นักก็ทั้งพระเนี่ยนะก็ต้องฝึกอยู่เสมอนะฮะประเพณีของพระจะมีการทุดตรงเป็นอาจีนนะทุดตรงคืออะไรทุดตรงไม่ไม่แปลว่าเดินนะเห็นสระพระเจ้าทุดตรงคือเดินทุดตรงที่หมายถึงการฝึกจิตให้ลดละกิเลสด้วยการไปเจอกับความยากลาบากเช่นนอนโคนไม้ฉันอาหารบละมือ้อหรือกินอาหารบลรมือ้อนะหรือว่า ฉันอาหารในบาทหรือว่าไม่นอนอยู่ในเรือบท์นะนั่งยืนแล้วก็เดินนะเราเรียกง่าว่าไม่นอนนะอันนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีการเป็นอุบายที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในจิตใจนะแล้วก็จะทำให้ฝึกปล่อยวางไปในตัวนะ เพราะนอกจากขันติแล้วเนี่ยทำให้ข้อนึงที่สำคัญมากนะในการสร้างภูมิคุมกัดภูมุกันในจิตใจเรียกว่ามีหน้าที่นี้โดยตรงเลยนะก็คือสติสตินี่พระเจ้าเปรียบเหมือนกับยามที่เฝ้าเมืองเมืองเนี่ยจะมีความสุขสงบได้ส่วนก็เพราะว่าส่วนสำคัญก็เพราะว่ามียามเนี่ยนะคอยเฝ้าที่ประตูเมือง ไม่ให้ศัตรูไม่ให้ปรปักลอบเข้ามาในเมืองผ่านเข้ามาในเมืองจนก่อความวุ่นวายพระเจ้าเปรียบจิตของเราเหมือนกับนครพระเจ้าเปรียบมันจิตของเราเนี่ยเหมือนกับเมืองเมืองนี้ชื่อว่าจิตตนครนะสมเด็จพระยาสมเพระสังฆราชเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งท่านนิพนธ์หนังสือชื่อว่าจิตตนครนะ แล ก, ก็ในหนังสือเล่มนัน้นก็จะพูดถึงเรื่องของการป้องกัน ร, รักษานครให้ปลอดภัยและตัวละครตัวหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือสติสตินี่สําคัญมากคนเราทุกวันเนี่ต้องยอมรับนะว่าเราไม่เคยได้ทุกกายมาแต่ก็ทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ เราปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงาจิตใจความเศร้าความเสียใจความโกรธความขุนเคืองความเบื่อความรู้สึกผิดความคับแคนอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาครองใจแล้วเมื่อไหร่นะทุกเลยนะแล้วมันเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้น แม้กรทั่งกับคนรวยคนที่มีอำนาจแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลอยู่ในปราสาทคฤหาสรรานะที่จริงใจหรือว่ามีบริษัทบริวารมากก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ในจิตใจซึ่งเกิดจากการที่ใจเนี่ยขาดสติหรือสตินี่อ่อนแอ จนอารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้สติเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสําคัญน้อยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอยู่แล้วคือไปเข้าใจว่าถ้าไม่เป็นบ้าไม่เป็นลมนะหรือว่าไม่เมามายอย่างที่เป็นกอยู่ทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยขนาดเนี้ยก็ถือว่ามีสติแล้ว แต่สติที่เรามีเนี่ยมันยังถือว่าใช้การได้เฉพาะในเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่ราบรื่นปกติแต่ ท, ทันทีที่เหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นมาไม่ราบรื่นสติที่เรามีก็จะรับมือกับเหตุการณ์แล้วนั้นไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคือความเครียดความหมงุดหงิดเช่นพอรถเติดก็เครียดลวนะ หรือว่าเพื่อไม่มาตามนัด น, นะก็อุดระวโกรธกวายหรือว่าเพื่อไม่กดไลค์ก็ทุกแล้วม่น้องพูดถึงคอมเมนต์นะที่เป็นลบและชุดเราเนี่ยมันก็จะเจอไอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอยู่ตลอดเวลายิ่งสมัยนี้เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆมากมายเรารับข้อมูลข่าวสารนะ มันก็จะมีอะไรที่มากระทบใจอยู่บ่อยๆแต่ถ้ามีสตินะไวพอเนี่ยพอจิตมันกระเพื่อมพอจิตมันขุนมัวขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ตัวสติจะบอกสติจะเตือนเราจะรู้ตัวแล้วสติก็จะทำหน้าที่นะถ้าอุปมาอุปมาคือว่าขับไล่อารมณ์นั้นออกไปจากใจ หรือผู้ย่างคือว่าจิตเนี่ยมันก็จะสติก็ช่วยดึงจิตถอนจิตออกมาจากอารมณ์นั้นสติเนี่ยสำคัญมากนะในการที่จะช่วยทำให้เรารับมือกับภาวะไม่ปกติได้ด้วยใจที่ปกติเพียงแค่มีสติรู้ตัวเท่านั้นเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะฮะสมัยที่หลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยท่านยังเป็นพระหนุ่ม ท่านเล่าว่ามีช่วงหนึ่งท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุพลราชธานีอยู่ในเมืองเลยนะฮะวันหนึ่งท่านก็ไปบิทสบาสก็เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งรอใส่บาสอยู่เธอยืน อ, อยู่กับลูกลูกชายอยู่ประมาณท่าครัวใครที่เดินไปถึงเนี่ยใกล้จะถึงแล้ว น, นะเด็กเนี่ยเห็นท่านก็พูดขึ้นมาเลย ว, ว่า มึงบ่กแม่นพระดอกมึงบอแม่นพระดอก ม, ม, มึงไม่ใช่พระหรอกมึงไม่ใช่พระพูดกับพระงี้นะถ้านบอไม่เคยใคยพูดงี้มาก่อนเลยนะพอดีเนี่ยความสิ่งแรกคือความไม่พอใจแต่สักพักเนี่ยท่านก็มีสติรู้เลยนะเห็นความคุณมัวที่เกิดขึ้นความไม่พอใจที่บังเกิดขึ้นพอเห็นพอรู้ตัวว่าโกรธเนี่ยนะก็มีความคิดหนึ่งแว บ, บขึ้นมา ว่าเด็กมันพูดถูกเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธรากว่าความโกรธเนี่ยดับเลยนะแล้วท่านก็สามารถที่จะเดินไปรับบาทจากผู้หญิงคนนั้นได้ด้วยใจปกติไม่มีความโกรธเด็กที่พูดอย่างนั้นกับท่านเลยภายหลังเนี่ยเวลาท่านพูดถึง เหตุการณ์เนี่ยท่านก็จะบอกว่าเด็กคนนี้ยเป็นอาจารย์ของท่านนะนอาจารย์ที่ทําให้ท่านได้เห็นใจของตัวเองจะเรียกว่าเป็นเป็นอาจารย์ที่ทําให้ท่านได้เป็นอาจารย์ที่ให้กันบ้านในการฝึกให้ท่านดูใจกนะ็ไนดะ้ทําไมเด็กพูดอย่างนี้กับหลวงพ่อพุธแต่ท่านไม่โกรธนะท่านโกรธแต่มีสติรู้ทัน มีแต่รู้ทำปุ๊บเนี่ยนะมันก็เปิดช่องให้โยนิโสมนสิกการโยนิโสมนสิกการคือความความฉลาดคิดคิดถูกคิดเป็นคิดคือตอนที่เราบอกว่าเออเด็กมันพูดถูกนะเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรอันนี้เราโยนิโสมานสิกการคือความคิดที่แยกคายที่ทําให้ทําให้ทหําให้มองสิ่ต่างๆเนี่ย ในแง่ที่เป็นบัวแต่ถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการนะก็จะเกิดความคิดหนึ่งแว บ, บขึ้นมาว่ามาพูดกับกูแบบนี้ได้ยังไงกูเป็นพระนะถ้าคิดแบบนี้ขึ้นมาไงโกรธทันทียิ่งโกรธกว่าเดิมอันนี้เรียกว่าโยกอโยนิโสมนสิกการเติมออออ่างเข้าไปคืออักโยนิโสมถ้าเราคิดเป็นคิดฉลาดนะ เ, ออเด็กพูดถูกเราไม่เราไม่ใช่พระนะ ีเพราะถ้ามีสตินะรู้ทันความรู้ทันความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้น mm hmm. เพียงแค่รู้ทันเนี่ยความกลัวก็ทำอะไรได้ยากไอ้ที่มันคลองใจอยู่มันก็หลุดไปเลยมันก็ที่เคยที่เคยจับเอาไว้มันก็ปล่อยมีเพื่อนตมาคนหนึ่งเล่าว่าตอนที่เป็นนักศึกษาปีสี่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคณะสังคมวิทยาต้องไปฝึกงานต่าจงจังหวัด รับศึกษาเนี่ยอยากไปฝึกงานกับสมาชิผลจนองค์กรชาวบ้านที่ภาคอีสานแต่อาจารย์อยากให้ไปทํางานกับหมือนนักราชการก็มีการโต้เถียงกันอยู่นานสุดท้ายก็สรุปว่าเอองั้นก็ไปทํางานไปไปฝึกงานกับองค์กรที่ทํางานกับชาวเขาละกันภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ทีแล้วก็นึกว่าไปทํางานกับองค์กรกับกับชาวบ้านนะ แต่พอไปถึงเชียงใหม่บอกว่าอาจารย์ให้ไปทํางานกับกรมประชาสงเคราะห์นักศึกษาส์ว่าอาจารย์ไม่ทําตาม ท, ที่ตกลงก็โกรธโกรธวันนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะคุ้นคิดด้วยความไม่พอใจวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจารย์ที่ปรึก ษ, ษาอีกคนหนึ่งก็มาถือไม่จะเป็นคนละคนกันแต่นักศึกษาก็ก็ยังโกรธอยู่นั้นแหละก็ต่อว่าอาจารย์อาจารย์ก็พยายามชี้แจง นักศาก็ยังไม่ลดละแต่อาจารย์ก็เป็นผู้ใหญ่มากนะไม่โกรธนะไม่โกรธนักศึกษาเลยมีจุดหนึ่งเนี่ยนะคะ่ะที่กำลังนันกศากำลังต่อว่าอาจารย์บ่นว่านเนี่ยอาจารย์ก็พูดขึ้นมาเลยนะสุธิศัก<ม>คิ้วเธอผูกเป็นโบเลยนะพอพูดแค่นี้แนละ้วนักศานี่หายโกรธเลยคือพอรู้ตัวแกรโกรธนี่นะ พอเห็นความโกรธนี่นะมันหลุดเลยนะความโกรธมันหายไปเลยเพียงแค่อาจารย์ทั ก, กว่าเนี่ยคิยยวเธอถูกเป็นโบเลยเพราะการทั ก, กาาของอาจารย์ทําให้นักศึกษานี่ได้เห็นความโกรธของตัวสิ่งที่เห็นคืออะไรสิ่งที่เห็นคือสติเห็นสติคือตาในเห็นความโกรธพอรู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยมันความโกรธมันหายไปเลยนะจะทําให้นักศึกษาเนี่ยเห็นเลยนะโอ้สติมันมีอานิสงส์ขนาดนี้เลย ตอนหลังนี่พอจบพอเรียนจบก็ไปบวชนะเราทวนี้ก็ยังไม่สิ้เลยนะ 10, สะิบกว่ารรษาแล้วคือคนเราเนี่ยเวลาโกรธเราไม่รู้ตัวว่าเราโกรธนะฮะเราไม่รู้ตัวว่าเราโกรธและยิ่งเราโกรธมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งคุ่นคิดยิ่งปรุงแต่งในเรื่องลบเรื่องร้ายซึ่งทําให้ยิ่งโกรธมากขึ้น ลองสังเกตดูเวลาเราโกรธใครโกรธเพื่อนเนี่นะหรือแม้โกรธคู่รักเนี่ยอาจจะโกรธไม่พอใจเพียงแค่เรื่องเดียวทีแรกแต่พอโกรธแล้ว น, นนะก็จะไปขุดคุ้ยเรื่องไม่ดีของเขาในอดีตที่มาทั้งที่บางเรื่องนีนก็จบไปแล้วนะผิดดีลก็ไปเรียบร้อยนะขออภัยกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็ยังไปขุดมาเห็นแต่ความไม่ดีของเขาจิตเนี่ยมันมันก็จะนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ไม่ดีการกระทําที่ไม่ดีของเขา ซึ่งจริงทําให้โกรธมากขึ้นตอนนั้นเจ้าตัวไม่รู้ว่าโกรธนะแล้วที่ไม่รู้ว่โกรธเพราะไม่มีสติแต่ ท, ทันทีที่มีสติขึ้นมาเนี่ยเนะี่ยไอ้ความโกรธนี่มันมันหล่นวูบไปเลยแต่ต้องเป็นสติที่ไวที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นสติหรือเป็สติที่ที่ที่เห็นโดยฉับพลันไม่ใช่ความอยากจะให้ความโกรธหายไป หลายคนในเวลาโกรธเนี่ยนะก็รู้ว่าโกรธแต่มันรู้แบบรู้แล้วรู้แล้วรู้ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็โกรธใหมนะ่มันเห็นไม่ชัดความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมพร่งหรือรู้สึกตัวท่วท้องโกรวปุ๊บเดี๋ยวก็รู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บเป็นแค่ขนาดสองขนาดแล้วก็โกรธใหม่เหมือนกับรถที่มันกําลังแรงวิ่งแรงแตะเบรคครั้งเดียวก็ไม่หยุดหรอกเพราะว่า ถ้าเป็นเบรกไม่ดีก็ไม่หยุดมันก็ต้องแตะเียกหลายครั้งแต่ว่าความโกรธเนี่ยหลายคนเนี่ยสิ่งที่พยายามทำก็คือพยายามห้ามพยายามตัดซึ่งไม่สำเร็จหรือไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เคยมีคนถามหลวงปู่ดูนันตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นรุ่นแรกๆ ร, รุ่นก่อนหลวงตามหาบุญ ถามว่าหลวงปู่ทำไมจะตัดความปวดให้ขาดหลวงปู่บอกไม่มีใครตัดความปวดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันถ้ารู้ทันมันมันก็ตัดไปรู้ทันด้วยอะไรรู้ทันด้วยสติใ้สตินี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างดีนอกจากสติแล้วเนี่ยสมาธิก็ช่วยนะสมาธิ บางคนแววกโกรธมากๆาเนี่ยลองกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเอาเอาจิตเนี่ยมากำหนดจดจ่อยที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกยาวๆจิตแน่นั่นกับลมหายใจชามีรักห้าครั้งสิบครั้งเนี่ยก็จะพบว่าความ โกรดมาทุ่เราลงไม่ใช่แต่ความโกรธนะคะความเจ็บความปวดก็จะทุ่เราลงด้วยเวลาเราเจ็บเนี่ยเวลาเราปวดเนี่ยเราไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าจิตของเราเนี่ยมันก็ทุกข์ไปพร้อมๆกับกายโดยเพราะเวลาไม่มีสติและจิตที่ทุกข์จิตที่มีโทสะจิตที่เป็นลบเพราะความปวดเนี่ย มันก็จะยิ่งกลับไปซ้ําเติมความทุกข์ให้มากขึ้นคนที่ปวดมันจะคิดว่าตัวงแค่ปวดกายแต่ที่จริงไม่ไม่ตระหนักแล้วว่าใจมันก็ปวดด้วยแต่ไม่มองไม่เห็นถ้าว่าทําให้ใจเนี่ยมันปวดน้อยลงก็จะเพราะว่าความทุกข์จากความปวดเนี่ยมันก็บรรเทาลงด้วย หรือผู้ใหญ่ก็คือว่าถ้าทำให้ใจไม่ทุกข์นะความปวดก็จะทุเลาลงและใจไม่ทุกข์ได้อย่างไรวิธีหนึ่งนอกจากสติแล้วคือสมาธิคุณหมอมาลามลิลาเคยเล่า ว, ว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อายุสีสิบกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมะเร็งที่มันลามถึงกระดูกแล้วแล้วคุณหมอปวดมากเลย หมอฟีดเอาไม่อยู่หมอให้หมอฟีดเนี่ยทุกสามชั่วโมงคนไข้บอกขอทุกสองชั่วโมงได้ไหมตอนหลังกอกขอทุกชั่วโมงเลยหมอบอกให้ไม่ได้เพราะว่ามันแรงคนไข้ตอนที่หมอคุณมามาราไปเยียมเนี่ยนอนไม่ได้นะต้องยืดต้องนั่งงอกอง อ, งอขิงตัวซีดปากปากซีดเม็ดตัวโ ต, ว ต, วตวเลย ไม่ออกมาตไม่โตโ ต, ตในเมื่อยาเนี่ยเป็นที่พึงไม่ได้คุณหม อ, อมรรคก็เลยชวนคนไข้ทำสมาธิทำสมาธิ ง, ง่ายๆเพราะว่าคนไข้ไม่เคยทำมาก่อนก็คือหายใจเข้าก็กำหนดว่าพุทหายใจออกก็โทรพุทโทร คุณหมอเอามราคิดว่าคนไข้เนี่ยไม่เคยทำสมาธิเนี่ยห้านาทีก็เก่งแล้วเพราะว่าความปวดเนี่ยมันบีบคั้นมากความเลือกทุกขเวทนาแรงกล้าแต่บอกว่าผ่านไปห้านาทีก็ยังนั่งสมาธิก็ยังนั่งได้ผ่านไปสิบนาทีก็ยังนั่งอยู่และยิ่งนั่งนานขึ้นก็ยิ่งดีนะตัวก็เริ่มผ่อนคลายไอที่เคยเกรงก็ค่อยหายไป เพราะวานนั่งถึง45นาทีแล้วพอลืมตาขึ้นก็รู้สึกเลยว่าหน้าตาก็ผ่องใสปากเป็นสีชมพูเงือนี่หายไปเลยคุณหมอคนไข้นี่เห็นเล้นโอ้ความปวดนี่มันหายไปไหนนะแปลกใจมันหายไปเพราะอะไรฮะเพราะว่าประการแรกคือพอจิตเนี่ยไปมีสมาธิอยู่ลมหายใจเนี่ย ได้นในการบริการพุดโธเนี่ยมันก็ทําให้จิตเนี่ยลืมความปวดความปวดมีอยู่แต่จิตมันไม่รับรู้เพราะว่าจิตมันไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันรับรู้ได้อารมณ์เดียวเหมือนกับมันมีมือมือเดียวก็คว้าถ้ามันคว้าแก้วแก้วนี้มันก็ไม่สามารถมันก็ต้องปล่อยแก้วนี้ก่อนใช่ไหมคนเวลาที่ไม่มีสมาธิมีสติเนี่ยสมมุตินี่คือความปวดมักาะอยู่นั่นแหละจิตมันเป็นเกาะอยู่เนี่ยแต่พอเดินจิตมาที่ มาที่ลมหายใจก็ต้องวางความวางความปวดลงก่ อ, อ, อนแล้วก็มาจับไปที่ลมหายใจอันนี้ก็เรียกว่าลืมปวดนะพวกเราบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นี่คือว่านั่งนะนั่งทั้งคืนเลยนะแต่ว่าไม่รู้สึกปวด retailer, ไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะว่าใจมันไปจดจ่อยอยู่กับไพ่ที่กำลังถือในมือนะี่ตีดํา ม, มีทั้งคืนนะเคยไหมใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ปวดนะไม่ใช่ไม่เมื่อยมันเมื่อยแต่จิตไม่ไรับรู้เพราะจิตมันไปอยู่กับไพ่นะแต่ว่าถ้าคุณปวดมากๆเหมือนมะเร็งเนี่ยไพ่ก็ไม่ทําให้คุณไม่สามารถช่วยคุณได้นะแต่สมาธิเนี่ยกับลมหายใจช่วยได้ประการแรกคือสมาธิเนี่ยมันช่วยทําให้ลืมปวดนะประการที่สองเนี่ยถ้ามีสมาธิดีมันก็ไปส่งผลต่อสารบางตัวในในสมองหลั่งออกมา ช ия, ่วยลดความปวดนะมีสารภายในร่างกายที่ช่วยลดความปวดได้เช่นเอ็นโดฟินเดพโดฮามีนมีเยอะมันก็ช่วยลดความปวดได้มันเป็นการลดความปวดทางกายจริงๆมันไม่ใช่แค่คิดเอาหรือว่าลืมปวดอันนี้ก็เรียกว่าอนิสงส์ของสมาธิเนี่ยมันช่วยทําให้ความปวดบรรเทาแต่ที่มันบันเทาได้แต่อย่างแรกที่มันบรรเทาได้คือมันทําให้ใจเนี่ยไม่ทุกสมาธิก็เป็นตัวช่วยทําให้ ความทาให้ใจเนี่ยซึ่งช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่มีโทสะเพราะทุกขเวทนาหรือความปวดเพราะว่าจิตมันวางความปวดลงแล้วมันจะกลมหายใจซึ่งเบาและสบายสมาธิก็เป็นภูมิคุ้ม ก, กันจิตใจแบบนึงนะก็ะคือว่าความปวดยังมีอยู่แต่ความปวดทำลายจิตใจไม่ได้ เพราะว่าจิตตอนนั้นเนี่ยมันแน่วแน่แนอยู่กับโลมหายใจหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกเราต้องอย่าประมาทนะอย่าไปคิดว่าเราจะพึ่งพาเทคโนโลยีหรือพึ่งพายาที่จะระ ง, งับปวดได้คนสมัยนี้เนี่ยปวดนี่ปวดไหนก็กินยาระ ง, งับปวดกินพารากินยาอะไรต่ออะไรมากมายมีหมอที่โรงพยาบาลให่งน่งที่กรุงเทพเป็นหมอ ที่เป็นโรงพยาบาลที่ชั้นดีนะคุณหมอท่านนี้เล่าว่าเนี่ยคนไข้เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ปวดสองคะแนนนะก็ขอยาระงับปวดละคือหมอเนี่ยเขมีวิธีการเช็คว่าปวดกี่คะแนนคนไข้ไม่ได้ปวดอะไรมากนะปวดสองคะแนนคือมันปวดนิดหน่อยเนี่ยนะขอยาละคือภูมิคุ้มกันความเจ็บปวดนี้ต่ํามาก และที่ต่ำมาเพราะว่าไม่เคยคิดที่จะทนกับความปวดขันติน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเจอเจอนี้เจหน่อยก็ขอยาขอยาแล้วบางจุดหนึ่งเนี่ยยามันเอาไม่อยู่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงละเพราะว่าจิตใจเนี่ยไม่เคยฝึกให้มีภูมิคุ้มกันเลยทุกวันิยาระรับปวดไม่ว่าจะดีเลิศเพียงใดนะฮะมันมีข้อจํากัด คนที่เป็นมะเร็งรู้ดีเลยนะว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยยามันเอาไม่อยู่แล้วถึงตอนนั้นแหละใจสําคัญมากใจที่มีสติใจที่มีความรู้สึกตัวใจที่มีสมาธินั่นแหละที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเจ็บปวดทุกขเวทนาได้มีคนไข้คนแก่ปวดนะฮะปวดเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งลําไส้ปวดมากนะเช่นกันนะยาเอาไม่อยู่ดุนดิ้นทรมารมากแต่ มีช่วงนี้เนี่ยตั้งสติได้ตัวเองเนี่ยเคยฝึกสติมาก่อนนะก็เลยเอาสติมาใช้ในยาม น, นี้สำนวนของของคนไข้ร า, ายนี้บอนนะว่าสติเนี่ยมันดึงจิตว้ที่หัวไหลนี่เป็นสำนวนขอ ง, ของเขานะฮะแล้วมาดูความปวดที่ท้องที่ลำไส้ ความปวดยังมีอยู่แต่ว่าจิตมันไม่จิตมันไม่ปวดแล้วมันไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าจิตมันผู้ภาษาชาวบา้านคือจิตมันแยออกจากกายนะสติทําหน้าที่ดึงจิตออกมาจากความปวดมาเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เป็นอันนี้สำนวนหลวงพ่อคาเขียนนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นสติมันทำหน้าที่เห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะพอทํานี้เข้าเนี่ยใจก็สงบความปวดยังมีอยู่นะฮะ แต่ใจสงบแต่เพื่อสติเมื่อไหร่เนี่ยพอเพสติปุ๊บจิตมันก็เข้าไปเข้าไปเกาะที่กายเข้าไปเกาะที่ความเจ็บปวดหรือเราเรียกงา่ายๆเป็นโรคกายก็ปว ด, ปวดทรมารเลยต้องตั้งสติที้ก็ดึงจิตออกมาเป็นมาดูความปวดนะอันนี้เรียกว่าใช้สตินะใช้สติรับมือความปวดซึ่งทําให้ใจสงบนะแต่นอกจากสติรักสมาธิก็ทําก็ช่วยได้แต่ทํางานคนละแบบ นะสติก็คือการที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดส่วนหนึ่งจนลืมความปวดแต่สมาธินี่ยมาดูความปวดแต่ไม่เป็นไม่เข้าไปเป็นป น, นะซึ่งหลายคนเนี่ยเขารักษาใจแบบนี้แหละฮะคือพอปวดมากๆเนี่ยถ้าถ้าไม่มีภูมิคุ้มใจนะมันจะเกิดความทุรนทุรายมันจะเกิดความทุกข์ทรมานมันจะเกิดโทสะกลายเกลียวนะ แต่พอเอาสติมาใช้เอาสมาธิมารักษามารักษาใจมาปกป้องรักษาใจเนี่ยไอ้ความบวดเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่สติก็สมาธิก็ยังใช้ได้กับไม่ใช่เฉพาะทุกคนเวทนาทางกายทุกเวทนาทางใจหรือเวลาเกิดผัสสะที่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจเช่นคาพูดที่ไม่ถูกใจนะหรือว่าการกระทา นะที่ไม่ถูกใจถ้าเรามีสติรู้ทันใจี่ก็เพื่มเมื่อเกิดผัสสะเมื่อได้ยินเมื่อเห็นมันก็จะวางมันก็วางความขุ่นมัวขุ่นเคืองหรือว่าถอนจิตออกจากความโกรธมาได้จิตก็กลับคืนสู่ความปกตินอกจากขันติสติสมาธิแล้วนะฮะอีกสื่นี้ํำหันคือปัญญานะฮะ ปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาในที่นี้ไม่ได้แ่าคิดเก่งหรือว่ารู้มากแต่หมายถึงความเข้าใจในชีวิตเข้าใจในธรรมดามของชีวิตเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตอันนี้คือปัญญาในพุทธศาสนาหรือว่าเข้าใจเรื่องความทุกข์ว่าเป็นธรรมดามของชีวิตเมื่อกี้เราเมื่อตอนที่เราเริ่มต้นรายการสวดอนะภินันทประเวท ธรรนิบาตเวกเนี่ยสําคัญกันนะก็ ค, คือเป็นการที่ย้าเตือนใจให้เราลดเราเรารับถึงความจริงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบความความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบดความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้ง น, นั้นถ้าจิตใจคุณเนี่ยเปิดรับความจริงแล้วก็ตระหนักถึงความจริงเพราะนี้อย่างแจง่มแจง้งก็เริ่มมีปัญญาและถ้ามีปัญญา แม้เพียงแค่ระดับนี้เนี่ย เ, ย เ, ย เ, ยเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่ทุกข์มันกลายมันปวดกายมันทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะเพราะเห็นว่าเป็นธรรมดา เ, เวลามันแก่มันชราพบว่าผิวหนังเหี่ยวย่นหรือว่าผมเนี่ยงอกนะก็ไม่ไม่ทุกข์กไม่กลุ้ม อ, อกกุ้มใจเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดา เป็นซื้อผือให้มองแตกปลายก็ถือเป็นธรรมดาไม่ทุกทรมานกับมันนี่เพราเห็นความจริงตระหนักถึงความจริงของชีวิตแล้วพอเวลาเจ็บเวลาปวดก็จะกลุ่มใจนะไม่ใช่ป่วยกายเนะี่กลุ่มใจทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นวันนี้กังวลร่วงหน้าเลยนะว่านี่ฉันจะตายแล้วหรือเนี่ยอันนี้เพราะไม่เห็น ไม่ต่อความจริงของชีวิตและไม่มีสติด้วยเพราะถ้ามีสติเนี่ยนะมันจะไม่มันจะไม่ไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดและมันจะรู้ทันใจที่ทุรนทุรายไม่ปล่อยให้ความทุรนทุรายเนี่ยมาคร่องํำจิตเวลาคนที่ทุกข์เพราะว่าเนี่ยทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยนี่แสดงว่าสติอ่อนปัญญาก็ไม่แก่กล้าหรือว่า กลับมีวิชาที่ซ้ำมันก็ทำให้จใจนิทุกมากเลยถ้าเราถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตเนี่ยเราจะหวั่นไหวมากกับคำเดี๋ยวว่าแต่ต่อว่าดาทอเลยนะคำตำหนิหรือว่าคำตักเตือนเราก็จะโกรธหรือว่าอย่างที่ตาพูดเนี่ยคือไม่กดไลค์ก็ทุกข์นะแต่เท่าไรก็มันเป็นธรรมดา นะธรรมดาในที่นี้ผู้เจ้าเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยมีแปดประการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสารเสริญมีสารเสริญก็มีดินทามีสุก็มีทุกมันเป็นของคู่กันไม่มีไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครที่ได้รับแต่คำสรรเสริญอย่างเดียวคำดินทา มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความจริงของชีวิตงั้เมื่อเจอคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ใจเราก็ไม่ทุกเพราะเรารู้ว่าเป็นธรรมดาพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าไม่มีใครเลยที่ไม่มีไม่ถูกนินทาแม้อยู่เฉยเฉยก็ยังถูกนินทางั้นถ้าเราเห็นความจริงข้อนี้เนี่ยเราก็จะไม่หวั่นไหวนะเมื่อมีคนต่อว่ามื่อมีคนตัวเอง ความพลดพลาดก็เหมือนกันความพลดพลาดความสูญเสียเมื่อเกิดขึ้นถ้าเราเห็นว่าตระหนักว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตได้กับเสียไป็ของคู่กันมีแล้วก็ต้องหมดได้ก็ต้องเสียเจอก็ต้องจา่ายพบก็ต้องพลาด ถ้ามีของคู่กันมีกับหมดได้กับเสียเจอกับจากพบกับพราดเจอแล้วไม่มีไม่มีคำว่าจากเป็นไปไม่ได้นะพบแล้วไม่มีคำว่าพราก็ไม่เคยเกิดขึ้นมีกับหมดเป็นของคู่กันไอ้เวลามีก็ไม่เหลงไม่ดีใจถ้าดีใจก็มีสติรู้ทันนะเขาเรียกว่าไม่ยินดีแล้วเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยพอพอรู้ทัน เมื่อมันเสียไปก็ไม่ยิดลายมีสติรู้ทันใจกลับเป็นปกติแต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยนะตอนที่มีก็รู้แล้วว่าเออเดี๋ยวก็หมดนะตอนที่ได้ก็รู้แล้วว่าอีกไม่นานก็ต้องเสียเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่หมดถึงเวลาต้องเสียจริงๆหรือเวลาถึงเวลาต้องต้องจากหรือพลาดนะก็ไม่ทุกข์ ความจากคลา่งมีนะคาต่อว่าดาทอบังเกิดขึ้นนะการสูญเสียปรากฏแกเ่เราแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์ถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็จะคุ้มการรักษาใจให้ไม่ทุกข์แนละปัญญาเนี่ยนะถึงขั้นที่ไม่เพียงแต่เห็นความจริงว่ามันเป็นความเจ็บปวยเป็นธรรมดาโลกแต่ถ้ามีปัญญาจนท่านจนถึงขั้นเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราป่วยนะมันมีแต่กายที่เจ็บมันมีแต่กายที่ป่วยถ้ามีปัญญาเห็นทีงขั้นนี้เนี่ยนะใจมันก็ไม่ทุกนะฮะมีเรื่องเราว่าสมัยที่หลวงปู่ปุตตะเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ปุตตะท่านมรณภาพเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้สมรมรรณภาพท่านก็อายุร้อยร้อยปีนะฮะ มีเรื่องแล้วว่าคราวนึงท่านไปผ่าตัดผ่าเอานิ้วผ่าผ่าผ่านิ้วในไตพอผ่าเสร็จสักพักท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรพ่อจะช่วแล้วคือท่านจะกลับนะกลับวัดวัดท่านอยู่สิงห์บุรีหมอเพียรบ้างก็ตกใจพราะเพราะว่าคนที่บางคนเนี่ยที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยเขายังบน่นเขายังบ่นว่าปวดปวด แต่หลวงพ่อนี่ไม่มีแสงไม่แสงอาการปวดเลยหลวงปู่ท่านทำไมแสงอาการปวดเลยก็เด็งสาวหลวงปู่ไม่ปวดเลยหลวงปู่ท่านก็บอกว่าร่างกายของหลวงปู่เนี่ยก็เหมือนคนอื่นแหละก็คือมันปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยนะคือท่านไม่ได้บอกว่าท่านปวดนะท่านเพียงแต่บอกว่าร่างกายท่านปวดแต่ว่าคือคนส่วนใหญ่เนี่ย เวลาปวดเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้มองเห็นเลยนะว่าไอ้ที่ปวดคือร่างกายปวดไปรู้สึกว่าไปสําคัญว่าไหรวาฉันปวดเพราะฉันปวดปุ๊บในใจมันก็ปวดไปเลยปวดตามไปด้วยเลยเมื่อมีปัญญาเห็นว่าที่จริงแล้วมันมีแต่กายกับใจไม่มีเราเมื่อความปวดเกิดขึ้นมันเป็นร่างกายที่ปวดไม่ใช่เราปวดใจมันก็ไปทุกข์เมือนกี่อาจารย์กำพลเนี่ยท่านได้ปฏิบัติธรรมเจริญสติกับหลวงพ่อคำเขียน ตามควา น, น, นะนำหลวงพ่มเขียนในเรการพลิกมือไปพลิกมือมาให้เห็นว่าที่พลิกนี่เป็นลูกไอ้ที่คิดนั่นเป็นนามหมายถึงคิดพุ่งซ่านหรอกนะคือท่านพิจารณาพิจารณาจนน่าเห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายมีแต่กายกับใจมีแต่ลูกกับนามพอถึงจุดหนึ่งก็เห็นเลยนะว่าที่พิ ก, การเนี่ยเป็นกายพิการใจไม่ได้พิการด้วยความสุขฉันพิ ก, การนี่มันหายไปมหมดไปเห็นว่าจิต เห็นว่ากายพิการอย่างเดียวเพบอกว่าเจ็บก็เราจอความพิการเราจะความทุกข์เลยให้ เ, เวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเนี่ยนะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยใจมันจะเป็นปกติไอ้สิ่งที่ปวดสิ่งที่เจ็บเคก็ยังเป็นกายแต่ใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดด้วยนะมีคราวที่ท่านไปไปได้รับที่บุญให้ไปฉัน โยงก็นิมนต์ไปให้ท่านไปฉันที่ที่บ้านเขาก็มีพระมารับนิมนต์เนี่ยเยอะหลายรูปรากว่าอาหารนี่เป็นพิษนะพระทั้งคณะเลยเนี่ยอาจเจียนอาจเจียนเป็นแถวเลยแล้วก็เกิดทั้งหมดเลยนอนหมดสภาพเลยแต่หลงวงปู่บุตานี่ท่านยังนั่งคุยกับโยมได้ พูดสักพักท่านก็คว้ากระโถนมาแล้วก็อาเจียนวางกระโถนเสร็จท่านก็คุยกับโยมต่อให้กําลังใจโยมพระโยมก็เสียขวัญ น, นะที่ผ่านนิมนต์พระมาแล้วปรากฏพระต้องมาเจอแบบนี้คนก็แปลกเจ้หลวงปู่ทำไมนะไม่ไม่หมดสภาพเหมือนกับพระหนุ่มนะที่มากับท่านท่านก็บอกว่าร่างกายมันสักแต่ว่านะก็คือประกอบด้วยดินธาตุสีดินน้ําไฟลมเมื่อโดนยาเบื่อยาเมา มันก็มีอาการแบบนี้แหละแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้โวนด้วยใจไม่ได้ตัวนยาเบื่อยาเมาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีอาการเนะี่ยท่นบอกอย่ามาปะปนกันอย่าเอาเรื่องกายเรื่องใจามาปนกันมันคนละส่วนกายก็ส่วนกายใจ ก, ก็ส่วนใจกายโดนยาเบื่อยาเมาแต่ใจไม่ได้ตโดนด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทุกข์กัไรนะเห็นไหมคือถ้าถ้าถ้ามีปัญญานะเห็นความจริง ขั้นพื้นฐานเลยนะว่าจริงๆแล้ว ม, มันไม่มันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจเมื่อเวลาปวดมันก็ก็เห็นเลยช่ไว่ากายปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยอันนี้เรียกว่าปัญญานะที่เข้าใจความจริงของชีวิตของตัวเองแล้วนะว่ามันไม่มีตัวเรามันมีแต่รูป ก, กับนามเนี่ยมันช่วยรักษาใจได้อย่างดีเลยอย่างวิเศษเลยก็คือว่าปวดแค่ไหนใจก็ไม่ทุกข์ อย่างที่เราได้ฟังเรื่องราวได้ดูเรื่องราวของหลวงพ่อคำเขียนนะท่านวรสุดทายของท่านนี่น่าอาศัศจรรย์มากนะเพราะว่าท่านหายใจไม่ออนเพราะว่าไอ้เนื้อเนี่ยมันขยายตัวจนกระทั่งมันปิดหลอดลมนะคนเวลาเราหารย์ไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยนะโหจะทุรนทุ ร, รายมากนะแต่หลวงพ่อท่านก็ยังปกติสงบขอตัวไปเข้าห้องน้ำํำนะ ถายหนักแล้วก็ล้างหน้าล้างมือแล้วก็มาขึ้นมาบนเตียงคณะที่ลูกศิษย์แยมก็มาลุวนตุ้มเพื่อทําให้ก้อนเนื้อมันมันยุบเพื่อท่านจะหายใจได้สะดวกเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จท่านก็เห็นว่ามันท่านเห็นว่าคงไม่ได้ผลแล้วท่านก็เขียนขอขอดินสอแล้วกระดาษแล้วเขียนว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตาย นะคือท่าน ม, มีสติตัวอยู่แล้วก็บอกบอกว่าเนี่ยเลิกทำได้แล้วเพราะว่ามันไม่สําเร็จแล้วคือสารท่านเนี่ยทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสัพ์แต่ว่าเกิดกับกายนะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยแล้วถึงถึงเวลายาตายนะมันก็เป็นแค่านงะกายที่ตัำไปคือท่านเนี่ยมีมีมีส ต, ติรู้ตัวอยู่ตลอดแล้วก็มีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้น นั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านแต่มันเกิด ข, ขึ้นกับกายเท่านั้นเองก่งใจก็ไม่ทุกข์ใจก็สงบนะี่เห็นนะั้นเห็นนะคือถ้าเรามีปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเนี่ยแม้กระทั่งความตายเนี่ยนะก็ไม่สามารถทำอะไรจิตใจได้จิตใจก็เป็นปกตินะภาษาแะ้วกับคำต่อว่าดาทออุปสรรคในการทำงานนะ เงินหายโทรศัพท์หายพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ที่จริงแล้วไอ้เหตุการณ์เหล่านี้แหละที่มันสามารถจะฝึกเราได้เราสามารถจะฝึกได้จากเหตุการณ์เหล่านี้แหละสิ่งที่ไม่ถูกใจเรา สิ่งที่เป็นโลกธรรมฝ่ายลบ ก, ก็คือเสือเส่อมลดเสื่อมยศเสื่อมลาบดินทาและทุกข์เช่นความเจ็บป่วยการพัดพลาดจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่กลัวไม่อยากให้มันเกิดแต่สราชาพูดแล้วเนี่ยในเมื่อมันต้องเกิดหรือในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากมัน หรือหาประโยชน์จากมันให้ได้ประโยชน์จากมันได้แก่อะไรบ้างเช่นฝึกใจให้เข้มแข็งฝึกใจให้มีภูมิต้านทานความทุกข์ความยากลำบากเนี่ยเมื่อเจอแล้วเราไม่บน่นเพราะเราเห็นว่ามันช่วยทำให้เราจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นช่วยทำให้เรามีคันติมากขึ้นความล้มเหลวเมื่อเกิดขึ้นเออมันทาให้เราได้เห็นเลยนะว่าทาให้เรามีภูมิต้านทานความล้มเหลว เด็กจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานความล้มเหลวหรือไม่มีภูมิคุ้มกันความล้มเหลวนะเพราะว่าชีวิตรากเลื่อนชีวิตประสบความสำเร็จมาตลอดคนที่ประสบความสำเร็จมาตลอดนี่บางทีน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาจะกลัวความล้มเหลวมากและถ้าเขาเจอความล้มเหลวเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาเสียเ ส, ยสูญไปเลยเช่นล้มเหลวในเรื่องความรักหรือว่าสอบไม่ได้ เขาจะเขาจะสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าสอบตกหรือว่าสอบไม่ได้ก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนมาตลอดได้ทุกอย่างที่พ่อที่ตเองต้องการพ่อพ่อแม่ให้ทุกอย่างแล้ววันหนึ่งเพราะว่าแฟนทิ้งโอ้เขาคุ้มคั่งเลยนะที่ฆ่ดตัวตายก็ไม่น้อยที่ไปข้าคนอื่นตายก็ก็เยอะเพราะเสียสูญอันนี้เราไม่มีภูมิคุ้มกันความรุ่มเลยเพราะว่าเจอแต่ความสําเร็จเจอแต่ความ สมหวังตลอดในทางตรงข้าม้าาว่าเราเจอความไม่สมหวังเจอความล้มเหลวเนี่ยให้เราลองมองว่าเออของนี้ดีนะมันมนช่วยฝึกใจเราถ้าเรามีภูมิต้นต้านฐานมากขึ้นเหมือนเด็กในชนบทที่เขาเจอเชื้อโรกเจอสัมผัสเชื้อโรกในดินในน้ำแล้วมันทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นคนเราเนี่ยจะมีจะมีพัฒ น, นาการในทางจิตใจได้ไม่ต้องเจอพวกนี้นะฮะ เพราะพูกนี้มันจะสอนเราสอนให้เรามีความเข้มแข็งสอนและถ้าเราฝึกให้มันใช้มันประโยชน์ที่ดีก็ฝึกสติเวลามีคนด่าว่ามีคนคอมเมนต์ในทางเสียหายเนี่ยเราโกรธนะลองใช้ความโกรธเนี่ยนะเป็นเครื่องฝึกสติของเราเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาเจอเอ่อ ความทุกขเวทนาทางกายเนะี่ยอย่าเอาแต่บน่นะเจอแต่ร้อนถ้าเราบนเราขาดทุนก็คือเราทุกกายทุกใจแต่แทนที่เราจะบน่นเราจะลองมาดูเออมาฝึกสติดูสิมาฝึกให้เรารู้ใจว่าใจให้เห็นใจที่มันบนมาฝึกสติดูกายนะว่าจะกลายเป็นยังไงมันเจอว่า ม, มันเจอความร้อนหรือว่าเจอความเจ็บป่วย แล้วดูเวทนาเนวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกสติปัญญาสี่อย่างน้อยเนี่ยสามข้อแรกเนี่ยฝึกได้เลยเนยฝึกดูใจฝึกดูกายฝึกดูเวทนาอาจารย์พุทราบบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ต้องฉลาดทุกทีฉลาดตรงที่ได้เกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิต ไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตเรื่องของสังขารเราก็ใช้ความเจ็บปวย เ, ยเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเกิดปัญญาขึ้นก็ได้ไม่ใช่แค่ฝึกสติเท่านั้น mm hmm. ความสูญเสียความพลาดพลาดถ้าาแต่เสียใจเมื่อมันเกิดขึ้นนั้นเราขาดทุนเพราะว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่เสียแต่ของนะใจเราก็เสียแล้วถ้าเราไม่มีสติ ไม่มีภูมิรักษาใจเลยเราก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งเราเสียสุขภาพหรือถึงไม่เสียสุขภาพแต่ว่าจิตใจว้าวุ่นกลุ๊งออกกุ่มใจมากทำงานการไม่ได้เลยก็เสียงานเสียการเรียนและถ้าอารมณ์อารมณ์ทุกข์กัดกลุ่มนะปล่อยให้มาทุกลามก็ จ, จะ เกิดเรื่องเราทะเลาะกับเพื่อนคนรอบข้างก็เสียเพื่อนเสียสมรรถภาพแทนที่จะเสียเงินอย่างเดียวก็กลายไปว่าเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียสมรรถภาพแต่ถ้ามีสติหรือเราตะหนักว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาเพื่อฝึกเราเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเราก็จะมีสติมากขึ้น เราก็จะมีปัญญามากขึ้นสิ่งที่ขัด อ, อกขัดใจเราเนี่ยมองให้ดีๆนะมันสามารถขัดใจเราให้สะอาดได้สิ่งทั้งปวงที่ขัด อ, อกขัดใจเราเนี่ยมันสามารถขัดใจเราให้สะอาดขัดกิเลสให้เบาบางขัดอัตตาให้เล็กลงแทนที่เราจะใช้แทนที่จะปล่อยให้มันมา สร้างความขุ่นเคืองให้เราหรือว่าทําให้จเราติดขัดกระดิกกระเดียบไปไหนไม่ได้เลยนะเราใช้มันเพื่อขัดใจเราให้สะอาดเราสามารถจะใช้หาประโยชน์จากสิ่งไร้ร้าที่เกิดขึ้นเนี่ย<ม>เพื่อทําให้ใจเราเข้มแข็ง<ม>เพื่อให้เรามีพุงป้อกันในจิตใจมากขึ้น เมื่อประมาณสักหกเจ็ดปีก่อนเนี่ยมีพี่หญิงคนหนึ่งนะเป็นเป็นพี่ที่สวยมากเป็นนักศึกษาตอนปีสามเธอเป็นดาวเหมาเทเลไรแล้วก็ประมาณปีสี่เธอก็ติดต่อรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางอินเทอร์เนต็ตสมัยนั้นยังไม่มี a ฟ e b o o k นะหรือมีแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเผยแพร่เท่าไหร่คุยไปคุยมาติดต่อไปติดต่อมาผู้ชายก็หลงรักเธอ แต่เมื่อนั้เจอกันถ้าผู้ชายเพราะว่าเธอก็ไม่ได้มีใจให้เขาผู้ชายก็โรกรธคงคิดว่าผู้หญิงหลอกลวงโรกรธแล้วผู้ชายทำไงฮะตอานั้นั้นกรดสาดหน้าเธอเต็มหน้าเลยนะเสียโฉมทั้งใบหน้าตาบอดไปข้างหนึ่งคนทึ่เคยรู้สึกภาคภูมิใจในความสวยนะเห็นว่าความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าชีวิตของเธอเนี่ยมันอยู่ที่ความงาม พอหน้าเสฉชเงี่ยก็ไม่อยากมีชีวิตยอยู่แต่จะฆ่าตัวตายแต่นี่ถึงแม่ก็ห้ามใจไว้ได้แต่ก็มีความทุกข์ทนอยู่บ้านเดิมไม่ได้เพราะว่าคนที่รู้จักเธอก็เคยเห็นเธอในสภาพที่สวยงามแต่พอมาเห็นเธอในสภาพแบบนี้เธอแค่ความรู้สึก ข, ของคนเหล่านี้มาก เธอก็ขอย้ายไปที่อื่นไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอมาก่อนผ่านไปสองสามปนะีปรากฏว่าเธอายเธอพลิกชีวิตเธอเปลี่ยนเธอไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกขทรมานกับหน้าตาที่เสียโฉมทุกวันเธอก็ไปทำงานนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเธอเป็นพนักงาน c เซ็นเตอร์ เวลาคื้เรถไฟาเธอก็ไม่ได้ปิดปางหน้าตาตัวเองนะไม่ได้ใส่หมวกหรืออะไรมีคนมาทักเธอว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอก็ <ทะ S 1> ตอบใช่ถูกต้องแล้วค่าล้อล้อปัญญานะถูกต้องแล้วครับเธอไม่แับอ้างเลยที่มีคนรู้จักเธอคือเธอก่อนหน้านั้นเธอเคยออกไปได้รับเชิญให้ปองรายการโทรทัศน์เพราะว่ามีคนเขาทึ่งในตัวเธอว่าเธอทาใจได้อย่างไร แล้วมีคนถามว่าเธอโกรธผู้ชายคนนั้นไหมที่สารน้ำกรดใส่เธอเธอบอกไม่โกรธเลยอยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้ําเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นเนี่ยเธอว่าเธอก็คงจะไม่คิดคิตเธอคงยังไม่เป็นแบบนี้หมายความว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยประการแรกก็คือหนึ่งมันทําให้เธออยู่ครอบครัวมากขึ้นแทนที่เธอจะไปเที่ยวติดแสงสี ตาภาษาคนที่หน้าตาสวยงามเธอก็อยู่บ้านมากขึ้น อ, อยู่กับครอบครัว อ, อยู่กแม่มากขึ้นแต่นั่นไม่สําคัญกับข้อที่สองแล้วก็สอนว่ามันเธอบอกเหตุการณ์ทรั้งนั้นทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือแต่ก่อนนี่เธอทําอะไรเธอจะติดมากเธอจะแคร์คนโน้นคนนี้แต่ว่าการที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยคือการที่เธอเสียโฉมมันทําให้เธอได้เห็นความจริงอย่างนึงคือว่ามันไม่อะไรที่แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเสมอ ใบหน้าเธอถ้าแม้ถ้าไม่เสียในวันนี้ในวันนั้นยังไงก็ต้องเสื่อมมันยะังค่ำนะแต่การที่มันเกิดเสแต่ตอนนี้มันทำให้เธอได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเธอได้เรียนรู้การปล่อยวางและเมื่อเธอปล่อยวางเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยไอ้คำพูดของคนอื่นเนี่ยมันก็กลาปเป็นจิตอยไปเธอไม่ได้ทุกข์ไปกับคำพูดหรือสายตาของใครอีกแล้วเนี่ย คือเห็นแล้นะคือผู้หญิงคนี้เนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียกว่าฉลาดนะถ้าภาษาฝรั่งเรื่องมี EQ ก็คือว่ารู้จักใช้เหตุร้ายๆให้ให้กลายเป็นดีเป็นเครื่องฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางและพอเธอปล่อยวางในเรือนร่างในหน้าต่างตัวเธอแล้วเนี่ยซึ่งเธอเคยถือเป็นสารณะเนี่ยไอ้การปล่อยวางเรื่องอเป็นเรื่องง่ายมาก ถ้าเธอมีชีวิตโปร่งบางมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีภูมิพุพ่มกันในจิตใจซึ่งทำให้เรื่องร้ายนกลายเป็นดีถ้าเรามีปัญญาเนี่ยไม่ว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเพียงใดสูญเสียคนรักทรัพย์สมบัติถูกโกงเจ็บป่วยเพราะมะเร็ง เราก็สามารถจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นของดีนอกจากจะไม่ทุกข์เพราะมันแล้วนะยังได้ประโยชน์จากมันด้วยอันเนี้คือสิ่งที่อาตมาคิดว่าเราควรจะมีกันให้มากๆนะขันติสติสมาธิปัญญาอาตมาก็ใช้วเวลาพ อ, อสมควรแล้วนะก็ก็ขอจิตฟังเท่า น, นี้